วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพืชมงคลมีพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวนาชาวไร่ที่ต้องมีการเพราะปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะข้าว ที่เป็นพืชหลักของชาวนาชาวไร่ในอดีตจะเป็นอาชีพหลักของชาวไทยคือการพ่อปลูกทำไรไท่ท้านาเพื่อปลูกข้าวเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำเอาข้าวไปขายไปรับประทาน เป็นสินค้าที่สำคัญของชาวไทยในอดีต ท, ทางพระเจ้าแผ่นดินเจึงได้ทรงประกาศพิธีแรกนาขวัญเพื่อให้กำลังใจแก่ชาวนาชาวไร่เพื่อความเป็นเสริมงคล พวกเราก็เป็นชาวพุทธเราก็เป็นเหมือนชาวนาชาวไร่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้พวกเรามาประทำพิธีแรกนาขวัญให้มาทำพิธีที่จะทำให้เป็นเิริมงคลแก่ ชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการมาปลูกมาฝังธรรมะที่จะออกดอกออกผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานที่จะทำให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็เป็นเหมือนชาวนาชาวไร่ที่เราต้องเพาะปลูกคุณธรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดมรรคผล น, ผนิพพานขึ้นมาเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ไปถึงพระนิพพาน ที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เราก็ต้องทำพิธีแรกนาขวัญคือพิธีเพาะปลูกคุณธรรมที่จะทำให้เกิดมากผลนิพพานขึ้นมาคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราหมั่นเพาะปลูกกันอยู่เรื่อยๆก็คือศรัทธาความเชื่อ เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่ได้พบทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่ได้รับผลของมรรคผลนิพพานเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ได้ปฏิบัติทางที่จะนาไปสู่การหลุดพ้นแล้ว ได้ไปสู์คุณธรรมต่างๆที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราถ้ามีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสารก แล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลคือได้รับมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันได้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการแก่การเจ็บการตายมีแต่ ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือศรัทธาที่เราต้องปลูกฝังกันเป็นคุณธรรมข้อข้อแรกที่เราจะต้องมีเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในทาง ในการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันคือความสิ้นสุดของความทุกข์และความสุขที่ถาวรยั่งยืนที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันสิ้นสุดพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็ต้องปลูกฝัง คุณธรรมข้อที่สองก็คือวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระอริยสงสารเราก็จะไม่สามารถที่จะได้รับผลของ การปฏิบัติได้การปฏิบัตินี้ต้องเกิดจากความภาคเพียนถ้าไม่ภาคเพียนเราก็จะไม่ปฏิบัติกันอย่างวันนี้เราก็มามีความภาคเพียนมาภาคเพียนมาศึกษาก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกัน เราต้องมีอะไรกันเราต้องสร้างอะไรกันเหมือนกับการสร้างบ้านเราต้องศึกษาวิธีสร้างบ้านก่อนว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างถึงจะสร้างบ้านได้เช่นเราก็ต้องมีที่ดินก่อนเมื่อมีที่ดินแล้วเราก็ต้องมีวัสดุก่อสร้างเช่นหินปูนทรายเหล็ก ไม้และวัสดุอย่างอื่นเพื่อที่จะได้ประกอบให้เป็นบ้านขึ้นมาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องมีอะไรเราก็ต้องไปหาวัสดุที่เราต้องเอามาใช้ก่อสร้างกันไปหาที่ดินก่อนก่อนจะสร้างบ้านก็ต้องไปหาที่ดินที่จะปลูกบ้านพอได้ที่แล้วเราก็ ไปหาช่างให้เขามาสร้างให้เราหรือเราจะสร้างเองก็ได้ถ้าเราสร้างเป็นเราก็ไปหาวัสดุที่จะทำให้เกิดบ้านนี้ขึ้นมาหาหินปูนทรายหาอิฐหาเหล็กหาอะไรต่างๆหากระเบื้องมาประกอบให้เป็นบ้านขึ้นมามรรคผลนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนบ้าน เป็นบ้านของจิตใจตอนนี้จิตใจของพวกเราเป็นพวกพนะจจไม่มีบ้านที่แท้จริงบ้านที่ถาวรมีแต่บ้านชั่วคราวบ้านที่เราไปอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วไม่นานเราก็ต้องจากบ้านนั้นไปบ้านของจิตใจก็คือภพชาติต่างๆ ท, ที่เราไปเกิดกัน เพืนภพชาตินี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราได้บ้านได้ร่างกายของมนุษย์ชาติก่อนก่อนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราได้ทำบุญไว้มากเราก็จะได้ไปเป็นเทวดาได้บ้านในสวรรค์หรือเป็นพรหมถ้าเราทำบาปมากเราก็ไปได้บ้านในอบายได้บ้าน ของเดชฉานได้บ้านของเปรตได้บ้านของอสุรกายได้บ้านของสัตว์นรกถ้าเป็นอบายก็เป็นบ้านที่มีแต่ความทุกข์บ้านที่ไม่ปลอดภัยบ้านที่จะมีอะไรคอยดล่นมาทับศรีรษะเราอยู่เรื่อ ย, อยบ้านที่จะคอยล้มคอยพังทับใส่เราคือบ้านในอบายบ้านที่จะให้เราต้องคอยทุกข์กับ ภัยต่างๆเพราะบ้านเป็นบ้านที่ไม่ปลอดภัยบ้านที่ไม่มิจฉิสไม่สามารถป้องกันให้ภัยต่างๆเข้ามารุมเร้ามาทำลายมาทำรา้ า, ำรายเราได้นี่คือลักษณะของบ้านของนายอบายบ้านของเดราฉานเดลฉานนี้เขาต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดเวลา พราถ้าเขาเผลอเมื่มอไหร่เขาก็อาจจะกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้เขาไม่มีบ้านไม่มีที่หลบภัยเหมือนมนุษย์เนี่ยความปลอดภัยของสัตว์เดรัจฉานนี้มีน้อยกว่าความปลอดภัยของมนุษย์นถ้าเป็นบ้านของเปรตก็จะเป็นบ้านที่ขาดแคลนอาหารอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบ อดอยากอัตคัดขัดสนถ้าเป็นบ้านของอสุรกายก็เป็นบ้านที่มีแต่ความหวาดกลัวเพราะไม่มิดชิดปกปิดไม่มิดมีภัยรอบด้านหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาถ้าเป็นบ้านของนรกก็จะเป็นบ้านที่กำลังไฟไหม อยู่บ้านที่ไฟไหม้นี้อยู่ไม่สบายมีแต่ความร้อนแต่ก็ไม่มีที่ที่ไหนอยู่ก็ต้องทนอยู่ในบ้านที่กําลังไฟไหม้นี่คือบ้านของนรกถ้าได้ของบ้านของมนุษย์ก็จะได้บ้านอย่างที่พวกเราได้มา ก, กันมีความสุขพอสมควรมีความทุกข์บ้างพอสมควร แล้วแต่เราถ้าเราอยู่ติดบ้านเราก็จะมีความสุขมากมีความปลอดภัยมากถ้าเราไม่อยู่ติดบ้านเจ้า อ, ออกนอกบ้านเราก็ต้องออกไปเสี่ยงภัยกับภัยต่างๆภัยที่เกิดจากการเดินทางภัยที่เกิดจากบุคคลต่างๆภัยที่เกิดจากธรรมชาติพายุฝนฟ้าอากาศ อุบัติเห ต, ตุอุบัติอุบัติภัยต่างๆเกจากการที่เราอยู่บ้านกันไม่ได้ต้องออกนอกบ้านกันอันนี้ก็เป็นบ้านที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้แต่ก็จะเป็นบ้านชั่วคราวเพราะต่อไปบ้านนี้ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ต้องทิ้งบ้านนี้ไป ถ้าเราได้ไปสวรรค์เราก็ได้ไปเหมือนกับได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศอยู่ที่บุญที่เราทำว่าเรามีมากมีน้อยมีมากเราก็จะได้ท่องเที่ยวในระดับดาวที่มากเช่นท่องเที่ยวในระดับห้าดาวอยู่โรงแรมห้าดาวรับประทานอาหารน้านอาหารห้าดาวท่องเที่ยวระดับห้าดาว ถ้าบุญน้อยก็อาจจะมีแค่ดาวเดียวก็อยู่โรงแรมระดับดาวเดียวกินอาหารระดับดาวเดียวท่องเที่ยวในระดับดาวเดียวอันนี้ก็เป็นบ้านชั่วคราวของเราพอบุญหมดเงินหมดเที่ยวหมดเงินหมดไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าที่อยู่อาศัยเราก็ต้องย้ายออกจากบ้านนั้นกลับมาเกิด เป็นมนุษย์ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เราจะกลับมาหลังจากที่เราไปได้บ้านในสวรรค์หรือไปได้บ้านในอบายพอบ้านในสวรรค์หมดไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบ้านในอบายหมดไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทาบาป ก, กันใหม่นี่คือลักษณะของ พวกเราที่ยังไม่เคยพบบ้านที่ถาวรไม่ได้สร้างบ้านที่ถาวรเพราะไม่รู้จากวิธีสร้างไม่รู้ว่ามีบ้านที่ถาวรที่พวกเราสามารถสร้างได้อยู่อย่างถาวรได้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องย้ายบ้านอย่างที่พวกเรากําลังโยกย้ายกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระพธธรรมประสงค์ เราก็จะไม่รู้วิจิสร้างบ้านที่ถาวรคือสร้างพันิพานสร้างมรรคผลนิพพานเราก็จะไปสร้างบ้านชั่วคราวเราก็ไปสร้างบุญสร้างบาปกันแล้วพอเราบ้านร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปได้บ้านใหม่เราก็จะไปอย่างนี้อยู่ได้เรื่อยๆไปไปแล้วกลับมาเป็นมนุษย์แล้วจากมนุษย์ก็กลับไปเป็น ไปสวรรค์บ้างไปอบายบ้างสลับกันไปสลับกันมาจนกว่าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะบอกเราว่าเรามีบ้านที่ถาวรที่เราสามารถสร้างกันได้สร้างบ้านนี้แล้วจะมีแต่ความสุขปลอดภัยจากภัยทั้งหลายไม่ว่าภัยชนิดใดที่เรากําลังพบกันในปัจจุบันนี้หรือในอดีตชาติ จะไม่มีอีกต่อไปจะมีแต่ความปลอดภัยจะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือโชคของพวกเราที่ชาตินี้ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอื่อวานนี้เราได้พบกับวันวิสาข บ, บูชาวันวิสาข บ, บูชาคือวันอะไรคือวันประสูตร ของพระพุทธเจ้าวันตัดสรุปวันที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าและวันตายวันจากโลกนี้ไปของพระพุทธเจ้าเป็นวันเดียวกันต่างปีวันประสูตนี่ก็เป็นปีที่ปีแรกปีศูนย์แล้ววันตัดสรุปก็อีกสามสิบห้าปีต่อมาจากวันประสูติแล้วอีกสี สิบห้าปีจากวันตัดสรู้ก็เป็นวันนิพพานวันที่ส่งจากโลกนี้ไปคาว่านิพพานนี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ได้ถึงพระนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ถึงนิพพานในวันที่ตัดสัรู้คือในตอนที่มีพระชนชีพอายุสามสิบห้าปีหลังจากที่ได้บวชอยู่หกปีอายุยี่สิบเก้าปีก็สละน่าจะสมบัติ แล้วก็ออกบวชแล้วก็บําเพ็ญอยู่หกปีด้วยกันสร้างคุณธรรมสร้างบ้านคือพระนิพพานใช้เวลาสร้างหกปีก็ได้บ้านคือพระนิพพานบ้านที่ถาวรแล้วก็ทรงประทับอยู่บ้านที่ถาวรนั้นในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีสองบ้านคือร่างกายก็เป็นอยู่อ ย, อยู่บ้านของของมนุษย์ ส่วนจิตใจก็อยู่บ้านของจิตใจคือพระนิพพานพอถึงวันอายุแปดสิบปีวันที่พระพุทธเจ้าต้องทิ้งร่างกายเพราะร่างกายก็ตายพระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระนิพพานไปตลอดอยู่บ้านที่ได้ทรงสร้างไว้ที่ทรงได้สร้างเสร็จตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีนี่คือ เป็นสิ่งที่ยากที่จะหาที่พวกเราจะพบกันได้เพราะว่าไม่นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้มาสั่งสอนพวกเราสักครั้งหนึ่งะถ้านับจํานวนชาติก็เป็นหลายล้านหลายแสนแสนล้านชาตินที่เราจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ถ้าได้เจอพระธรรมคาสอน เลอพระอริยสงสาวกก็ถือว่าได้เจอตัวแทนพระพุทธเจ้าเท่ากับได้เจอพระพุทธเจ้าอถ้าเราได้พบองค์ใดองค์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําสอนก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีก็ถือว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบโชคอันประเสริฐอันโชคมหาโชคเพราะเราจะได้พบวิธีที่จะสร้างบ้านที่ถาวร ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักวิธีที่จะสร้างบ้านที่ถาวรกันคือพระนิพพานกันเราก็จะไปสร้างบ้านชั่วคราวกันไปทำบาปกันบ้างไปทำบุญกันบ้างแล้วแต่อารมณ์วันไหนอารมณ์ดีเราก็ทำบุญกันวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็ทำบาปกันเราก็เลยไปสร้างบ้านเหล่านี้ขึ้นมา ในแต่ละพบแต่ละชาติสร้างไปได้เรื่อยเนี่ยเราสร้างบ้านเหล่านี้มาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วกี่แสนล้านบ้านแล้วถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะสร้างบ้านเหล่านี้ไปอีกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ชาตินี้เรามีโอกาสที่จะได้สร้างบ้านที่ถาวรและเลิกสร้างบ้านที่ไม่ถาวรได้คือสร้างพระนิพพาน แทนที่จะสร้างพบบ้านของเทวดาบ้านของพรมบ้านของมนุษย์บ้านของเดรัจฉานบ้านของเปรตบ้านของอสุรกายบ้านของสัตว์นรกเรามาสร้างบ้านของพระอริยเจ้ากันสร้างบ้านของพระพุทธเจ้าสร้างบ้านของพระอรหันตสาวกกันพระผู้ที่ได้สร้างบ้านนี้ได้เสร็จก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอรหันตสาวกัน อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่วิเศษเป็นโชคมหาศาลของพวกเราในชาตินี้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พบกับวิธีการสร้างพระนิพพานกันเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโชคมหาศาลอันนี้ให้หลุดมือไปถ้าเราไม่มีศรัทธานี้เราก็หมดนะหมดสิทธิ หมดสิทธิ์จะได้บ้านานี่ถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือถ้ามีแต่เราไม่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรถึงแม้จะมีศรัทธาแต่ไม่ไม่ศึกษาอย่างท่องแท้ไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ เราก็จะไม่ได้สร้างบ้านกันไม่ได้สร้างพระนิพพานกันดังนั้นเบื้องต้นเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีที่จะทำให้เกิดศรัทธาก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาประวัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระอริยสงสาวกว่าท่านสอนอย่างไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านถึงได้เป็นพระอริยสงสาว ก, กันแล้วเราก็เอาตัวอย่างของท่านนี่แหละ ม, มาเป็นแบบฉบับมาเดินตามรอยพระบาทตามรอยพุทธบาทตามรอย พระบาทตามรอยเท้าของพระอาหารหันตสาวกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกท่านเดินไปสู่พระนิพพานกันทั้งนั้นถ้าเดินตามรอยเท้าท่านแล้วเราก็จะถึงพระนิพพานกันเนี่ยชาตินี้เราโชคดีมีรอยเท้าเป็นทางให้เราเดินกันเพียงแต่เดินตามรอยเท้าเช่นถ้าเราหลงป่า น้องอยู่ในป่าแล้วเราเดินไปพบ ร, รอยเท้าของคนเดินอยู่เราก็เดินตามรอยเท้าของคนที่รอยเท้านั้นเดี๋ยวก็ไปถึงออกไปจากป่าได้เพราะคนที่เขาเดินเขาก็จะเดินออกไปจากป่า เ, เขาไม่อยู่ในป่าถ้าเราไปพบรอยเท้าของทานของคนที่เขาชนานาญทางในป่าแล้วเราเดินตามรอยเท้าเขาไปเดี๋ยวเราก็จะได้ออกจากป่า ถ้าเราหลงทางอยู่ในป่าแล้วเราอยากจะกลับบ้านแล้วเราได้มาพบรอยเท้าของอรอยเท้าของพรานหรือรอยเท้าของคนเนี่ยเราก็จะมีศรัทธาความเชื่อว่าถ้าเดินตามรอยเท้านี้แล้วเราจะต้องไปพบคนแน่นอนจะต้องพบอะไรที่ดีกว่าขณะ ท, ที่เรายังเป็นอยู่ในขณะนี้ เรามาเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้ากันมาเดินตามรอยเท้าของพระอรหันตสาวกกันเพราะท่านจะเดินไปพระนิพพานกันเรามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกันมาปฏิบัติตามที่พระอริยสงฆ์พระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติกันท่าน ป, ปฏิบัติอะไรท่านก็ปฏิบัติทานหลังจากท่านทำทาน ตอนต้นก็ทาไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนทำไปจากนั้นก็ทำมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเห็นว่าทำทานแล้วมีความสุขใจมากขึ้นมีความทุกข์ใจน้อยลงไปแล้วก็ท่านก็รักษาศีลตอนต้นก็รักษาศีลห้าก่อนต่อไปเมื่อรักษาศีลห้าได้ก็จะเพิ่มเป็นศีลแปดพอท่านรักษาศีลแปได้ท่านก็จ ะ, จะเจริญสติ เึิกสร้างสติเดินจงกมนั่งสมาธิไปอยู่วัดไปปีกวิเวกหยุดทานทำงานทำการชั่วขาว่าวแทนที่จะหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติต่างๆก็มาหาธรรมมาปลูกฝังธรรมกันามาปลูกฝังสติปลูกฝังสมาธิปลูกฝังปัญญ า, า, ามาวัดก็จะ เ, เราก็จะมีเวลามาเจริญสติ มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าเรามีสติเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบสงบแล้วใจเราก็จะได้บ้านชั่วข่าวได้พระนิพพานชั่วข่าวมีวิธีสร้างบ้านคือทำใจของเราให้สงบเมื่อใจสงบเราก็จะได้บ้านได้พระนิพพานชั่วข่าวก่อน เป็นบ้านที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เป็นบ้านที่พอหลบแดดหลบฝนได้แต่ยังไม่ถาวรถ้าอยากจะทำให้บ้านที่เราสร้างจากสมาธินี้เป็นบ้านที่ถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญามาเสริมมาทำให้ถาวรปัญญาก็จะสอนให้เราป้องกันสิ่งที่จะมาทำลายบ้านนี้ จะาทำให้บ้านนี้ที่เป็นบ้านชั่วข่าวกลายเป็นบ้านถาวรไปสิ่งที่มาทำลายบ้านบ้านชั่วข่าวคือพระนิพพานชั่วขาานี้ก็คือกิเลสตัณหานี้เองคือความโลภความอยากต่างๆพอเราออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความโลภขึ้นมาความสงบความสุขที่ได้จากบ้านนี้ก็หายไป<ม>ก็เหมือนถูกทำลายไป บ้านนิพานชั่วคราวก็จะหายไปเพราะสู้กำลังของความโลภสู้กำลังของความอยากไม่ได้ความอยากก็จะเข้ามาทำลายเราจึงต้องจ้างปัญญามาเป็นยามมาคอยเฝ้าบ้านมาคอยป้องกันบ้านของเราจ้างรอปรพอพมาอย่างสมัยนี้บ้านจัดสรร น, นี้เขาสร้างเสร็จเขาก็าจะมีรอปรพอพ ไว้รักษาบ้านไม่ให้ขโมยมาขโมยข้าวของไม่ให้ผู้ไม่หวังดีมาเผาบ้านมาทําลายบ้านเขาก็ต้องจ้างรอปภกันไม่ให้คนที่ไม่ควรจะเข้าไปในบ้านเข้าไปในหมู่บ้านเราก็เหมือนกันพอเราได้สร้างบ้านนิพพานแล้วที่เป็นบ้านิพพานชั่วคาวเพราะยังไม่ปลอดภัยจากภัยต่างๆยังไม่ปลอดภัยจาก ความโลภความอยาก ต, าตา่างๆเราก็ต้องจ้างรอปภคือปัญญามาคอยเฝ้าเฝ้าบ้านคือบ้านสมาธินี่ไม่ให้มีความโลภความอยากเล่นรอดเข้ามาทําลายพอมีความโลภความอยากถ้าเรามีรอปภคือปัญญาปัญญาก็จะสกัดเอาไว้จะกําจัดความโลภกําจัดความอยาก ต, าตา่างๆ พอเราประพอทำหน้าที่ไปเรื่อยๆต่อไปความโลภความอยากก็จะหายไปหมดไม่สามารถที่จะเข้ามาทําลายบ้านคือความสงบที่เราสร้างจากสมาธิได้บ้านที่เป็นสมาธิก็จะกลายเป็นเอ น, นิพานไปอย่างถาวรตอ น, นต้นก็เป็นสมาธิเป็นเป็นบ้านชั่วคราวก่อนเพราะว่า เวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีปัญญาคอยคุ้มกันคอยปกป้องรักษาความโลภความอยากก็จะมาทำลายบ้านที่เราได้จากสมาธิให้หายไปเวลาอยู่ในสมาธิใจของเราก็สุขมีความอิ่มความพอมีความปลอดภัยจากทุกต่างๆแต่พอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่มีรอรพอพไม่มีปัญญา ความโลภความอยากก็จะเข้ามาเผาบ้านเราทำให้บ้านที่เย็นสบายกลายเป็นบ้านที่ร้อนขึ้นมาร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงเพราะเราไม่มีรอปภคือปัญญามาคอยป้องกันไม่ให้ความโลภความโกรธความอยากต่างๆเข้ามาเผาบ้านเรานั่นเองมาทำลายบ้านเรา พอเราออกจากสมาธิแล้วเราจึงต้องมาเจริญปัญญากันมาจ้างรอปอพมาคุ้มครองบ้านคือความสงบบ้านสมาธินี้ให้กลายเป็นบ้านนิพพานไปถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสกัดกัน้นผู้ที่จะมาทำลายบ้านสมาธินี้พอไม่มีใครมาทำลายบ้านสมาธินี้บ้านสมาธินี้ก็จะกลายเป็นบ้านนิพพานไป พอไม่มีความโลภไม่มีความอยากใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาเราต้องเจริญคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เจริญไปเรื่อยๆต้องทำอย่างจากน้อยไปหามากในเบื้องต้นเราก็เริ่มที่วันหนึ่งก่อนในวันพระหรือวันหยุดทำงานเช่นวันนี้ถ้าเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานแล้วเราสามารถหาที่ปฏิบัติได้เช่นที่วัด วัดใดวัดหนึ่งที่สงบที่มีผู้นำผู้สอนให้มาปลูกบ้านกันเราก็มาปลูกศรัทธาด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังประวัติของพระพุทธเจ้าฟังประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเพื่อที่เราจะได้เกิดศรัทธาและได้รู้จักวิธีสร้างบ้าน พอเรารู้จักวิธีสร้างบ้านและเรามีศรัทธาที่จะสร้างเราก็ต้องปลูกวิทยะความอุตสาหะภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรเพื่อที่เราจะได้มาไปหาวัสดุก่อสร้างบ้านวัสดุที่เราต้องมีในการใช้สร้างพระนิพพานก็คือเราต้องมีทานมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญา พอเรารู้แล้วว่านี่คือวัสดุก่อสร้างที่เราจะต้องนำเอามาสร้างบ้านสร้างพระนิพพานเราก็มาทำทานกันตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ก็เอามาทำกันเอาเงินที่เราจะไปใช้เผาเผาบ้านเราเอามาสร้างบ้านกันดี ก, กว่าเงินที่เราใช้ตามความอยากนี่เป็นเป็นเงินที่เอามาเผาบ้านเผาเผาบ้านที่ของพระนิพพาน บ้านที่เรายังไม่มียังไม่ทำมีบ้านเราก็เอาเราก็ไม่มีวันที่จะสร้างบ้านได้ถ้าเรามัวแต่เอาเงินนี้ไปทำตามความอยากไปซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะการไปซื้อของตามความอยากไม่ได้ทำให้ใจเรามีบ้านมีความสงบมีความเย็นแต่กลับทำให้ใจเราร้อนเราหิวเราอยากอยู่เรื่อยๆดังนั้น ถ้าเราอยากที่จะมีวัสดุก่อสร้างพระนิพพานเราก็ต้องดึงเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้ทำตามความโลภความอยากต่างๆนี้เอามาทำทานแทนอันนี้คือหน้าที่ของทานคือดึงเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้สร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจสร้างความหิวโหวยให้กับจิตใจด้วยการทำตามความอยากทำตามความโลภนี้เอาเงินนี้มา ทำทานกันเ อ, อมาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านกัน อ, อตอนต้นเราก็อาจจะทําได้ในระดับหนึ่งแต่พอเราเห็นคุณค่าของการทําบุญทําทานว่าดีกว่าการไปซื้อของตามความอยากไปทําอะไรตามความอยากไปกินไปเล่นไปเที่ยวตามความอยากต่อไปเราก็จะเพิ่มปริมาณของการเอาเงินนี้มาทําทานกันให้มากขึ้น ทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวอยากจะซื้อของพุ่มเฟยตามความอยากที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็เอาเงินนั้นมาทำทานดีกว่าพอเราทำทานแล้วเราก็จะรักษาศีลได้ตอนต้นเราก็จะรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็อยากจะรักษาศีลแปดพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะไปอยู่วัดได้ไปปีกวิเวกได้ ไปหาที่สงบไปเจริญสติได้ไปนั่งสมาธิได้ไปเจริญปัญญาได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติตอนต้นเราก็ทำจากน้อยไปหามากทำจากที่เราสามารถทำได้ก่อนขั้นแรกก็คงจะทำได้อาทิษฐานหนึ่งวันอย่างนี้วันพระวันหยุดทางานเราก็ไปอยู่วัดกันไปปลูกศรัทธาไปสร้างวิริยะความภาคเพียน ไปทำทานไปรักษาศีลแปดไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันขึ้นมาตอนต้นก็ทำอาทิตย์ละหนึ่งวันต่อไปเห็นผลว่าดีทำแล้วรู้สึกบ้านคือใจเราเริ่มมีความสงบ เริ่ ม, มีบ้าน ม, มีเขาของพระนิพพานขึ้นมาแล้วพระนิพพานก็คือความสงบสุขของใจนี้เองถ้าเราได้ปลูกฝังธรรมเหล่านี้บ้านก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาพอเราเห็นบ้านเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามันก็จะทําให้เรามีมีกําลังใจที่อยากจะสร้างให้มันให้มันเสร็จเร็วขึ้นให้มันเราก็จะรีบ ทำเพิ่มมากขึ้นอยากวันหนึ่งก็มาสองวันต่ออาทิตย์ต่อไปก็สามวันต่ออาทิตย์ลดเวลาที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวกันแทนที่จะไปเที่ยวกันสามวันห้าวันก็มาอยู่วัดกันสามวันห้าวันเอาเงินที่จะไปเที่ยวมาทําบุญทําทานมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารอะไรต่างๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็อยากจะทําเต็มที่มันก็จะมีเงินทอง ก็จะสละไปหมดเพราะจะไปบวชนะถ้าบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทองถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เก็บเงินทองไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับจ่ายค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่จําเป็นจะต้องจ่ายแต่จ่ายไม่นานหรอกถ้าบวชไปแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปก็จะมีคนเข้ามาจ่ายให้เราเองแม่ชีที่บวชแล้วไม่ต้องใช้เงินก็มีเยอะแยะไป มีคนศรัทธาเองถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเดี๋ยวก็มีคนศรัทธามาสนับสนุนมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าอาหารให้เองแต่ในตอนต้นถ้าไม่มีใครจ่ายให้ก็ต้องจ่ายจ่ายไปก่อนเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่เก็บเอาไว้เอามาใช้ในการสร้างบ้านดีกว่าสร้างพระนิพพานกันดีกว่า พอได้ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบได้ปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระนิพพานนี้สามารถสร้างได้บางคนก็เจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่ได้บางคนก็เจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้บางคนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากรับรองได้ว่าจะต้องได้พระนิพพานขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าทาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว อปลูกฝังศรัท ธ, ธาปลูกฝังเวรยะความขยันหมั่นเพียรปลูกฝังทานปลูกฝังสติปลูกฝังศีลปลูกฝังสติปลูกฝังสมาธิปลูกฝังปัญญานี่คือวัสดุที่จะมาสร้างบ้านสร้างพระนิพพานให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าเรามีวัสดุเรามีความพร้อมเราก็จะมีบ้านเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน จึงขอให้พวกท่านจงนําเอาเรื่องของวันพืชชมงคนนี้ไปพินิษพิจารณาในการสร้างพืชของจิตใจก็คือสร้างมรรคผลนิพพานด้วยการหว่านเมล็ดพืชของมรรคผลนิพพานก็คือธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรามาปลูกฝังกันก็คือศรัทธาวิริยาทานศีลสติสมาธิและปัญญา ถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้รับรองได้ว่าเราจะได้พระนิพพานอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวารวาหาปุราปาริปุเรนติสากะัง เอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเเปุรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโขวินัสตุ มาเตผวตะวันตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวัตนสีฤทธะนิจจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีคำถามก็ขอเชิญเข้ามาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบถ้าใครอยากจะถามเข้ามาที่ไมโครโฟนนี้ได้เลยพูดใกล้ๆปากนะกรับธรรมส ก, การ์พระอาจารย์ครับออผมมีคำถามอยู่สองข้อ พอแรกก็คือเมื่อเริ่มภาวนาบริกรรมพุทุปุถตั้งจิตไว้ที่หน้าผากเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งคําบริกรรมหายไปแล้วประจับอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจค่อยๆละเอียดขึ้นทีนี้เมื่อลมหายใจละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกพยายามหายใจเท่าไหร่ก็เหมือนเหมือนฝืนอย่าไปบังคับมันเดีถ้ามันไม่หายใจก็ปล่อยมันไห้หายใจเราเพียงแต่ดูลมเฉยๆดูตามความเป็นจริง มันไม่หายใจก็ล่วงไม่หายใจแสดงว่ามันใจมันไม่ต้องมันร่างกายไม่ต้องการลมมากมันก็เลยไม่หายใจมากไม่มีปัญหาไม่ตายถ้าไปพยายามดึงบังคับให้มันหายใจมันก็ทําให้ใจมันหยาบใจมันก็จะหยาบใจกําลังละเอียดใจกําลังจะสงบมันจะไม่ใช่ลมมากเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรร่างกายมันรถรถยนต์เนี่ยเวลาเราวิ่งเร็วๆเราต้องใช้น้ํามันมากใช่ไหม ต้องเหยียบคันเร่งมันมันถึงจะวิ่งเร็วแต่พอเราจอดอยู่เฉยๆติดไฟแดงนี่มันไม่ใช่น้ํามันมากเครื่องมันหมุนไม่ไม่เร็วรอบไม่เร็วมันจะหมุนช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆใจเรากับร่างกายก็เป็นอย่างนี้พอใจเราจะสงบนี่ใจร่างกายมันก็จะสงบตามหัวใจก็จะเต้นช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับว่ามันจะไม่ไม่เต้นแต่ก็ไม่ต้องกลัว มันพวกที่เลือสีเขาอยู่กันอยู่ในฌานเจ็ดวันสิบห้าวันนี่หัวใจอาจจะเต้นครัง้งละชั่วโมงก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ต้องใช้ร่างกายทำงานไงั้นไม่ต้องไปกังวลให้ดูลมเฉยๆอย่าไปวิตกกังวลแล้วอย่าไปบังคับลมถ้าลมไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีไปให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะวุบลงตกหล้มตกบ่อลงไปเอง แล้วมันก็จะปล่อยลมทิ้งลมไม่สไม่สนใจมันจะอยู่กับผู้รู้อยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนะหากเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกต้องถอนจิตออกมาก่อนอย่างเช่นลืมตาเราค่อยลืมไม่ถ้าถอนกลับมาก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อย่าถอนอย่าลืมจะให้ให้รู้เฉยเฉยจะนั่งแล้วรู้สึกลมไม่มีก็ให้รู้ว่าลมไม่มีไปนั่งหลับตาต่อไปอยู่กับการไม่มีลม หรือมันละเอียดจนกระทั้งเราดูไม่เห็นก็ได้มองไม่เห็นมันไม่ชัดมันไม่แรงแต่มันต้องหายใจถ้ามันไม่หายใจมันก็ตายครับคำถามข้อที่สองนะครับอันนี้ถามเผื่อคุณให้คุณยายนะครับเมื่อนั่งทำสมาธจนกระทั่งจิตตั้งอยู่ที่ฐานจิตนานๆแล้วการที่จะออกไปทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจำเป็นต้องคิดในสมาธิเพื่อให้เกิดให้เห็น ให้เห็นเ อ, อกรรมฐานห้าหรือเปล่าครับควรจะคิดนอกสมาธิขณะอยู่ในสมาธิไม่ควรคิดควรจะให้จิตมันนิ่งนานๆ น, น, นิ่งจนกระทั่งจิตมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่นิ่งมันจะคิดแล้วค่อยค่อยใช้คิดไปทางปัญญาในเวลาจิตนิ่งอย่าไปบังคับให้มันคิดแต่ถ้ามันเริ่มคิดก็คิดไปในทางปัญญาได้ แต่ว่าในขณะนั้นก็คือยังนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมครับจะอยู่ในท่าไหนก็ได้อยู่ในท่านั่งก็ได้หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้คิดไปในทางปัญญาตลอดเวลาขอบคุณครับแต่เวลาจิตนิ่งอยู่ในสมาธิอย่าไปบังคับให้มันคิดเวลามันนิ่งมันต้องการพักผ่อนเหมือนเวลาคนหลับนอนพักผ่อนเราไม่ไปปลุกให้เข้ามาทางานใช่ไหม ปล่อยก็นอนเต็มที่พออิ่มแล้วเขาตื่นขึ้นมาเองเราก็ตื่นก็เรียกเขาไปทํางานเอถ้าจิตไม่คิดอย่าไปบังคับให้มันคิดนั่งสมาธิเพื่อหยุดคิดให้มันจะได้เพอการหยุดคิดจะทําให้ใจสบายใจมีกําลังพอมันหยุดคิดแล้วอย่าไปดึงมันมาคิดะปล่อยมันพักจนกว่ามันอยากจะคิดเองพอมันเริ่มคิดเองที่นี้ก็ดึงมันไปใช้ให้มันไปคิดในทางไตรลักษณ์คิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา ขอยคําถามหนึ่งนะครับการที่มีคนที่นั่งสมาธิแล้วเห็นเห็นกระดูกหรือเห็นอะไรในสมาธิเนี่ยคือเขาคิดนอกสมาธิแล้วคนนั่งสมาธิมันภาพนิมิตนั้นมันมันมาเองใช่ไหมครับใช่ถ้ามันมีภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตสําหรับวิปัสสนาสําหรับปัญญาเราก็สามารถที่จ ะ, ะใช้ภาพนั้นมาสอนใจเราได้ ใช้ภาพที่เราเห็นว่าเนี่ยร่างกายเราก็มีโครงกระดูกอย่างเงี้ยหรือต่อไปก็ทําให้มันกลายเป็นเศษกระดูกไปกระดาษคนตายไปเอาไปเผากระดูกก็กลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปนี่คือภาวะของร่างกายของเราที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปถ้ามีภาพเกี่ยวกับร่างกายนี้่เอามาใช้ให้เป็นวิปัสสนาได้ด้วยการ ทำให้มันเป็นไม่อริจังทําให้มันแก่ทําให้มันเจ็บทําให้มันตายถ้าทําได้มันก็จะเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาแล้วต่อไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ขอบพระคุณมากครับมีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามวันนี้ทางบ้านมีเข้ามาเท่าไหร่่ะ วันนี้ Facebook สูงสุดสามร้อยส u t u ิบสองค่ะอูหกสิบห้าค่ ะ, ะแสดงว่าคนทำงานเย อ, ะ, อะไม่ได้ไปเที่ยวกันถ้าไปเที่ยวนี่จะลดลงเหลือสองร้อยกว่าจะถามอีกไหมมีหร อ, อ่ะอ่า้องมีคำถามลองเอาเข้ามาเลยเอต่อไปนี้เรื่องที่จะให้ถามผ่านทาง Facebook ก็คงไม่ต้องมีความจำเป็นนะ ก็อยากจะถามก็เรามาถามตอนบ่ายสองโมงนี่ถามได้สดสดร้อนๆนเลย เ, ออเมื่อก่อนนี้ไม่มีถ่ายทอดสดเลยให้ฝากคาถามไว้แล้วจะมาถามมาตอบในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่คนถามอาจจะถามวันไหนก็ไม่ทราบวันเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ฟังสู้เอาแบบสดสดร้อนๆอนอย่างนี้ดีกว่าส่งข้อความเข้ามาเลยตอนนี้ก็อยากจะถามอะไรเจอนอ คำถามจากผู้ฝากถามการที่จะละร่างกายและการกลัวตายมันต้องนั่งให้เจ็ดผ่านเวทานาเท่านั้นหรือครับมีวิธีอื่นไหมครับที่จะละกายกลัวตายครับคือการละความกลัวตายนี้ก็ต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายนี้มันไม่ได้ใช่เป็นตัวเราต้องมองว่ามันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาให้เราเอามาเล่นให้เอามา พาเราไปทําอะไรต่างๆต้องเห็นความจริงก่อนด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับตุ๊กตาเราเป็นตัวเล่นตุ๊กตาเรากับตุ๊กตานี้เป็นคนละตัวกันตอนนี้เราไปหลงคิดว่าเราเป็นตุ๊กตากันเข้าใจ ไ, ไหมเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเราก็รักรักร่างกายนี้กลัวร่างกายนี้จะตายกันทีนี้เราก็ต้องมาสอนใจให้เห็นว่าเนี่ย ตอนที่มีพ่อแม่เราร่างกายเราไม่มีแล้วเราเราเราเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตอนนั้นเรายังไม่ตายเรายังไม่มาเกิดเราเรามีร่างกายอันเก่าอยู่พอร่างกายเก่าตายไปเราก็เลยต้องมาหาล่างกายอันใหม่มารับตุ๊กตาตัวใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอเราได้ตุ๊กตาตัวใหม่เราก็ไปหลงคิดว่าเราเป็นตุ๊กตาตัวนี้เราก็รักมันแล้วก็กลัวมันตายพรเรารู้ว่ามันต้องตาย แต่เราไม่อยากให้มันตา ย, ยเพราะเราคิดว่าเราจะตายไปกับมันอันนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนมีสัมมาทิฏฐิถามว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันเป็นเหมือนแฝดสยามรู้จักแฝดสยามไหแฝดทิติดกันเป็นสองคนเราเป็นใจร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายร่างกายเป็นผู้รับใช้ ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวให้รู้แค่ยังี้ก่อนแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้พอเรารู้ว่าร่างกายจะต้องตายเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าก็พามันไปในที่ที่มันน่ากลัวดูที่มันอาจจะตายได้เราดูว่าใจเราเฉยๆต้อปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าถ้าใจเราเฉยๆไม่กลัวตายต่อไปเราก็ไม่กลัวตาย แต่เราต้องไปหาที่มันจะทาท้าทายต่อความความเป็นความตายของร่างกายเราถึงจะรู้ว่าเราปล่อยร่างกายนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภยัยเราก็ยังไม่รู้เราต้องมีเช่นตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่ตรง น, นี้แล้ว เ, เกิดใครโยนงูขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วดูว่าใครจะนั่งเฉยๆหรือใครจะกระโดดกันถ้ากระโดดกันก็แสดงว่ายังคิดว่าเป็นตุ๊กตาอยู่ ถาคนนั่งเฉยๆก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นตุ๊กตาเขาเขาไม่เป็นตุ๊กตาเขาก็ปล่อยตุ๊กตานั่งไปงู ม, มันจะกัดตุ๊กตาก็ปล่อยมันกัดไปนี่คือเรื่องของการกำจัดความกลัวตายขั้นต้นต้องมีมีปัญญาก่อนให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นตุ๊กตาพอเรารู้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ขั้นที่สองวิธีที่จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่เป็นร่างกายเราก็ต้องนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิ เวลาใจสงบใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันร่างกายจะหายไปเวลาใจสงบเหลือแต่ใจเหลือแต่ผู้รู้อยู่เราก็จะรู้ว่าเออนี่คือตัวเราคือผู้รู้ตอนนี้ร่างกายคือตุกตาเราปล่อยปล่อยชั่วคราวแล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วตอนนั้นเราปล่อยมันมเราเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่ได้แล้วเราจะรู้ความจริงอันนี้แต่เราต้องนั่งสมาธิก่อนเพื่อให้เราเห็น ให้เห็นว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันพอเราเห็นแล้วพอออกจากสมาธิมามันก็จะมารวมกันร่างกายกับใจก็จะมารวมกันตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าเราเป็นในายกายเป็ น, ปนบ่าวนะร่างกายเป็นตุ๊กตาเราเป็นคนเล่นตุก๊กตาตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งตุ๊กตาตัวนี้เพราะเดี๋ยวมันจะตายเราห้ามมันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องตายห้ามมันก็ห้ามไม่ได้ ถ้าไปลักไปหวงมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆทีนีก็พอเรารู้อย่างนี้เราก็จะพร้อมไปพิสูจน์ว่าอ่ะดูซิว่าเราจะปล่อยมันได้หรือเปล่าก็พามันไปอยู่ที่มันน่ากลัวด้วยที่มีเสือมีงูมีอะไรที่เรากลัวกันแล้วดูซิว่าเวลาเจอเจอเจ อ, เจอสัตว์ล้วใจเราสั่นเมื่อใจเราเฉยถ้าใจเราเฉยเพราะเรายอมให้ร่างกายตายใจเราก็จะเฉย ถ้าราไม่ยาอมไ่ให้มันตายเราใจมันก็จะไม่เฉยก็จะรู้กันตรงนั้นนี่คือเรื่องการพิสูจน์ว่าเรากลัวตายหรือไม่กลัวตายส่วนความเจ็บที่นั่งให้เจ็บเพื่อเราจะได้อไม่กลัวเจ็บเตอนนี้เรากลัวเจ็บกันพอเจ็บนี่เราจะหนีทันทีนั่นเราต้องบังคับให้มันนั่งแล้วให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้ายาหนี้ให้อยู่กับความเจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปะ มันจะเจ็บก so ็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยมันหายไปมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าเราควบคุมใจด้วยสติด้วยปัญญาได้ต่อไปมันก็จะเฉยกับความเจ็บได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปพอถึงเวลาที่จะต้องตายมันก็จะเฉยตายความตายก็ไม่กลัวความเจ็บก็ไม่กลัวอยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับความตายความเจ็บอีกต่อไป คำถามจากคุณสุชาติตอนนั่งสมาธิทําไมในหัวถึงมีอะไรเข้ามาให้คิดอยู่เรื่อยๆครับและนั่งไปนั่งมาก็เกิดอาการง่วงเข้ามาอีกวิธีแก้ต้องทําไงครับก็ต้องฝึกสติอยู่บ่อยๆคอยหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งหยุดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอเริ่นตาพอมันจะคิดก็หยุดมันเลยพุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าจะคิดก็คิดในเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิด เช่นเรื่องทำงานทำการเรื่องหาเงินหาทองเวลาที่เราทำงานเราต้องใช้ความคิดกัคิดไปในเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดเพ้อเจ้อคิดเพ้อฝันคิดถึง เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้นคนนั้นคนนี้โกรธคนนั้ น, ก น, น, ก น, นเกลียดคนนี้เรื่องของค ว, ความคิดเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันพุโทโธพุโทโธไปดึงมันมาอยู่กับพุโทโธไป หรือดึงมันให้เฝ้าดูการทำงานของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ผูกมันไว้กับร่างกายให้มันดูอยู่ตลอดเวลาว่าลตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามันเฝ้าดูร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นี่คือวิธีก่อนที่จะมานั่งเราต้องหยุดหัดหยุดความคิดก่อนพอเรามานั่งเราก็มาพุทโธต่อหรือดูลมหายใจต่อมันก็จะไม่คิดเพราะเราหยุดมันมาตลอดเวลา ถ้าเราปล่อยมันคิดตลอดเวลาพอเรามานั่งมันก็คิดต่อมันก็จะนั่งไม่ได้นั่งได้ห้านาทีก็ทนไม่ไหวแล้วอยากจะลุกขึ้นมาแล้วคำถามจากคุณโอโม่สติกับสัมปัญชยะต่างกันอย่างไรครับกระผมรู้แค่สติคือความระลึกได้สัมปัญชยะคือความรู้ความรู้ตัวพระอาจารย์ช่วยขยายความทีครับ ก็สติสัมปชัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่องเนี่ยสติที่ไม่หายถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็เป็นสัมปชัญญะถ้าเป็นสติแบบล้มลุกคลุกคลามันก็ยังเป็นสติอยู่คือมีบ้างไม่มีบ้างเวลาเผลอสติก็หายไปเวลาเวลาไม่เผลอสติก็กลับมาเวลาพุทโธก็มีสติเวลาไม่พุทโธมันก็แสดงว่าหายไปแล้ว ถ้าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆมันก็แสดงว่าเป็นสัมปัชญะเป็นวะรู้อยู่อย่างต่อเนื่องถ้ารู้อยู่ปป๊บแล้วหายไปก็เรียกว่าสติเป็นสติสั้นสติยังไม่ยาวสติยังไม่ต่อเนื่องสติล้มลุกคลุกขานคาถามจากคุณทองโยมมีความอยากที่อยากให้คนที่เราห่วงเช่นแม่ลูกอยากให้เขาได้มาสัมผัสความสงบความสุขจากการปฏิบัติธรรม แต่โยไม่รู้จะบอกเขายังไงเจ้าคะพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะก็บอกด้วยการทำเป็นตัวอย่างเราทำไปได้เรื่อยเดี๋ยวเขาก็ถามเราเองทำอะไรอยู่ทำไปทำไมเราก็บอกเขาว่าทำเพื่อให้ใจสบายทาให้ใจมีความสุขถ้าเขายังไม่สนใจไปบอกเขาก็เหมือนเทน้าใส่หลังสุนัขมาที่มันไม่อยากอาบน้านี่ลองเทน้ำใส่หลังมันดูมันทำยังไงมันกระบัดทิ้งทันที คนที่ยังไม่สนใจธรรมะไปบอกเขาเขาก็ไม่สนใจพูดแล้วเขาก็อาสาทุกไปก็จบไปงั้นต้องรอให้เขาสนใจก่อนต้องให้เขาถามเราก่อนการที่เขาจะถามเราได้ก็ต่อเมื่อเราทำเป็นตัวอย่างก่อนเออย่าเห็นเราไปวัดบ่อยๆก็อย่าถามไปทำไมไปอยู่แล้วได้อะไรไปนั่งเฉยๆไ่นั่งหลับตาได้อะไร เ, เราก็จะได้อธิบายเขาฟังว่า ได้ความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวได้ความสุขกว่าการที่ได้ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ความสุขที่ดีกว่าได้แฟนคนใหม่ถ้าบอกก็อย่างนี้เขาอาจจะเริ่มสนใจในวันหลังพาเราไปเรื่องทํำยังไงนั่งแล้วนั่ ง, งไงถึงจะมีความสุขเราก็ต้องสอนอนี้แต่อย่าไปอยากสอนเขาถ้าเขายังไม่สนใจก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัข อย่าไปเทถ้าหมามันอยากจะอาบน้าโอ้ยมันเดียวเราจุกมันลงน้ามันกระโดดตามเราเลยแต่ถ้ามันไม่อยากอาบต่อให้รากมันยังไงมันก็ไม่ยอมลงเนั้นการจะสอนธรรมะให้แก่ผู้อนได้ต้องให้เขามีศรัทธาก่อนพ<ม>ระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระไปสอนธรรมะกับใครถ้ายังไม่ไม่มีใครเขาแสดงความศรัทธาที่เรียกว่าอาราธนาธรรมเนี่ย เวลาพระจะเทศเขาเลยมีวิธีว่าต้องอาราธนาพระขอเชิญพระมาแสดงธรรมเพราะพวกข้าพระเจ้ากําลังหิวโหยกับการฟังธรรมอยากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหลือเกินถ้าอย่างนี้พระก็มาพูดได้เพราะคนที่อาราธนาแล้วเขาจะตั้งใจฟังแต่สมัยนี้มันเล่นเทศแบบกับคนที่ไม่ตั้งใจฟังเห็นะหคนไปงานศพในประเทศไม่ น, นั่งไม่มีใครฟังมันไปถึงพอพระตั้งน้าโมก็คุยกันแล้ว บางคนก็หาเสาพเพลงนะหาที่หลับกันเนี่ยเทศให้พวกคนที่เขาไม่สนใจจะฟังก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขครับเสียเวลาไปเปล่าๆไม่เหมือนกับญาติโยมที่มาที่นี่ไม่ได้เรียกร้องให้มาใช่ไหมมากันเอง เ, อเวลามาแล้วเวลาเทศเป็นงานก็นั่งเฉยๆไมตั้งใจฟังกันเพราะอยากจะฟังจริงๆไม่ได้มาเพื่อทําพิธีกรรมต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราไปงานศพไปงาน บุญต่างๆเราไม่ได้ไปเพื่อธรรมะเราไปเพื่อเจ้าภาพกันใช่ไหมไปให้กําลังใจเจ้าภาพเราก็เลยไปแล้ว เ, เวลาพระเทศเวลาพระสวดเราก็คุยกันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองเสียงพระสวดเสียงพระเทศนี่ก็เป็นเหมือนกับ เ, เพลงประกอบไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักก็คือเจ้าภาพกแบ่ขก เจ้าภาพก็ต้อนรับแขกเลี้ยงแขกจัดอาหงองาหารจัดนงจัดน้ามาเลี้ยงแขกกันฮะพระก็สวดไปโยมก็ทําเรื่องของโยมไปอะไไม่เกิดประโยชน์เราจึงไม่ค่อยอยากจะไปกิจนิมนต์กยไปอยู่ข้างสองข้างแล้วไม่ไปแล้วไปแล้วไม่มีใครก็สนใจไปก็ไม่ฟังเราสวดเลยเขาก็นิมนต์แล้วใครปล่อยเราสวดเขาก็ไปทํา คนบางคนก็เข้าครัวบางคนก็ไปรับแขกมีคนแก่สองสามคนมานั่งฟังอยู่<ม>ก็เลยไปเสียเวลา<ม>สู้อยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะมาเข้ามาเองใช่ไหมเมื่อก่อนก็ไม่มีใครมาอต่พอเริ่มมีคนสนใจมาแล้วเขาเอาไปบอกไปไปไปบอกกันต่อๆเนี่ยนี้ก็เลยมากันทุกวันมาแล้วก็ตั้งใจฟังกัน การจะแสดงธรรมการจะบอกใครเรื่องธรรมะนี่ต้องให้เขาสนใจถึงจะได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาคําถามจากคุณบ b บีาดรู้นั้นส่วนผู้รู้และสิ่งถูกรู้นั้นสมมติรู้หรืออย่างไรครับคือถ้ารู้ก็คือตัวรู้ผู้รู้ไงผู้ที่รู้ต่างๆนี่คือธาตุรู้ส่วนต่างๆนี่ไม่มีธาตุรู้เขาไม่รู้ในตัวเขาเองว่าเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาเป็นนมก็ เ, เป็นไฟ เขาเป็นหญิงเขาเป็นชายเขาเป็นอะไรนี่เขาไม่รู้มีตัวทธาตรู้ที่รู้เท่านั้นเองรู้ตามที่ตัวธาตรู้บอกกันเช่เราเกิดมาตอนต้นเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรก็อาศยทธาตรู้คือพ่อแม่บอกเราพ่อแม่ก็เป็นทธาตรู้พ่อแม่ก็เราบอกว่าเราเป็นหญิงนะเราเป็นชายนะเป็นหญิงต้องทําตัวอย่างนี้ทําเป็นชายต้องทําตัวอย่างนี้อันนี้ก็สายการบอกเล่าของผู้รู้ แล้วเราก็ทำตามผู้รู้แล้วเราก็เริ่มรู้ตามผู้รู้รู้ว่าเป็นผู้หญิงต้องทำตัวอย่างไรเป็นผู้ชายต้องทำตัวอย่างไรแล้วถ้ามารู้มาเจอพระพุทธเจ้าท่านก้จะท่านก็จะทำให้เรารู้ว่าวิธีดับทุกข์ดับอย่างไรวิธีสร้างพระนิพพานสร้างอย่างไรถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก็จะไ ม, ไม่ไม่มีใครสอนวิธีดับทุกข์วิธีสร้างนิพพานให้กับเราเราก็ต้องแบอยู่บ้านชั่วคราวไปเรื่อย ไปอยู่บ้านเปดบ้างบ้านนรกบ้างบ้างสวรรค์บ้างแล้วแต่บุญแต่บาปที่เราทํากันแต่พอเรามาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคําสอนพบกับพระอริยสงสาวกก็จะมีคนมาบอกให้เราสร้างพระนิพพานกันให้เราทําทานรักษาศีลให้เรานั่งสมาธิให้เราเจริญปัญญากันแล้วเดี๋ยวเราก็ได้บ้านได้พระนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องไปย้ายบ้านอีกต่อไปเพราะจะเป็นบ้านที่ถาวร คำถามจากคุณเทพธิดาวันนี้ญาติมาให้ไปค้ำประกันรถของเขาออกรถแต่ญาติคนนั้นเขาไม่ทํางาน ว, นวันๆพ่อเขาก็มาขอร้องให้ดิฉันไปค้ำประกันแต่ดิฉันเลยบอกเขาไปว่าแบัตรประชาชนลืมเอามาอยู่ต่างจังหวัดดิฉันโกหกเพื่อเอาตัวรอดจะบาปไหมคะก็โกหกมันก็บาปแต่เอาตัวรอดมันนะ่ยมันอาจจะดีกว่ายามพูดไม่โกหกแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบรับแบกภาระ อันนี้ก็บางทีเราก็ต้องเลือกเอาระหว่างความจริงเราไม่โกหกก็ได้เราพูดความจริงไปก็ได้เห็นไม่เห็นจำเป็นจะต้องโกหกเลยลก็บอกก็เป็นตรงๆว่ารับไม่ได้เรื่องอะไรแบแบกภาระของคนอื่นภาระของเราก็จะหนักอยู่แล้วเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแล้วจะจะแบกคนอื่นได้อย่างไร ที่เราต้องโกหกก็เพราะว่าเรายังอยากจะถนอมน้ำใจเขายังอยากจ ะ, ะคบค้าสมาคมกับเขาอยู่ก็เลยต้องโกหกไปอยา่าอย่ากโกหกดีกว่าพูดความจริงหรือถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดดีกว่าเฉยๆไปพูดเรื่องอื่นไปเพื่อพูดเรื่องฝนตกแดดออกไปเดี๋ยวเาก็เดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าเราไม่อยากจะพูดไม่อยากจะรับประกันเดี๋ยวเขาก็กลับไปเอง เขาจะโกรธก็ช่วยไม่ได้เราไม่ได้ไปทำให้เขาโกรธเขาโกรธด้วยความอยากของเขาเองถ้าเขาจะไม่คบกับเราก็ดีไปเราจะได้สบายไม่ต้องคาประกันเขาไปแต่เราก็ไปหวังพึ่งเขาไม่ได้ต่อไปแต่ถ้าเรายังหวังพึ่งเขาไายก็ต้องให้เขาพึ่งเราตอนนี้เราจะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องแลกเปลี่ยนกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า คำถามจากคุณฮารัฐนั่งสมาธิแล้วปวดขามากแล้วอยู่ดีๆก็สว่างแล้วอาการปวดขาก็หายแล้วสักพักปวดใหม่อาการอย่างนี้เรียกว่าปิติไหมครับอาการนี้เรียกว่าอนิจจังไลปวดแล้วหายหายแล้วปวดนี่ก็ไม่แน่นอนมีเกิดมีดับส่วนถ้ามันสว่างแล้วใจเราสงบใจสบายจะเรียกว่าปิติก็ได้เรียกว่าสงบก็ได้คำถามจากคุณภูสิทธิ์ ถ้านั่งสมาธิไปนานๆแล้วจิตลงลึกไปเรื่อยๆจนหลับไปเองดีไหมครับเ อ, อ๋อถ้าหลับก็ไม่ใช่เป็นการ น, นั่งสมาธิเขาเรียกว่านั่งหลับนั่งหลับก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรทู่ไปนอนหลับดีกว่าสบายกว่านอนหลับก็ได้พักผ่อนร่างกายแต่ไม่ได้พักผ่อนจิตใจจิตใจอาจารย์ทํางานต่อเวลาหลับก็ฝันได้คิดต่อได้ก็จะแน่ไม่ได้รับประโยชน์ทางจิตใจได้รับประโยชน์ทางร่างกาย การนั่งสมาธินี้เราต้องการเอาประโยชน์ทางจิตใจกันหลักเราต้องการทำจิตใจให้สงบแต่ไม่หลับให้มีความรู้สึกตัวตื่นตัวมีสติครบบริบูรณ์เพราะเราจะต้องใช้ความสงบกับสตินี้ไว้รักษาใจเราเวลามีภัยต่างๆมารุมเร้าเวลามีความทุกข์ต่างๆถ้าเรามีสติมีความสงบภัยต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้ คำถามจากคุณละวันรักษาสิ่งห้ามานานแล้วอยากจะรักษาสิ่งแปดแต่ไม่สบายเป็นเบาหวานควรจะทําอย่างไรคะก็รักษาเท่าทีา่รักษาเท่าที่จะรักษาได้ถ้าไม่ได้8ดเอาสักเจก็ยังดีข้อที่8ที่รักษาที่กินอาหารเย็นไม่ได้ก็ที่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเบาหวานมันก็ต้องไม่กินอยู่แล้วไม่ใช่หรือมันน่าจะดีที่มัเป็นเบาหวานมันก็ เส้นข้อหกม่ น, น่าจะรักษาได้หรือว่าต้องกินบ่อยๆอันนี้ถ้ากินบ่อยๆเพื่อเป็นกินเป็นยาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็กินไปอย่าอย่าไปกินด้วยความอยากเขาแล้วกันกินด้วยความจําเป็นเพื่อรักษาให้ร่างกายไม่หน่ามืดเพราะคนเป็นเบาหวานนี่ต้องกินยาดลดลดเอ่อลดลดความหวานแล้วบางทีถ้ามันมากเกินไปมันก็ทําให้หน้ามืดได้ก็ต้องรีบกินอาหารเพื่อที่จะได้ทําให้หาย ถ้ากินแบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะมันกินแบบกินยาะแต่ถ้ากินด้วยความอยากเนี่ยเท็งเรียกว่าผิดศีลถ้าคนอื่นเขาจะว่าผิดศีลก็ให้เขาว่าไปแต่เราไม่ได้กินแบบคนอื่นกินกันเรากินเพราะเหมือนกินเป็นยาเพราะถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันก็หน้ามืดมันก็เป็นไข้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยตายได้ถ้ากินอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกินกินด้วยความอยากกินเพื่อบรนเทา เพื่อรักษาร่างกายเอยากจะเรียกว่าผิดศีลข้อนี้หรือไม่จะว่าผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ผิดเพราะเรากินเนี่ยเรากินมาหลังเที่ยงไปแล้วถ้ากินหลังเที่ยงไปแล้วก็ถือว่ามันผิดแล้วแหละแต่กินด้วยเหตุผลอะไรใ น, น, นีต่างหากที่สําคัญกว่าถ้ากินด้วยความอยากมันก็ผิดนะผิดไม่ควรเอแต่ถ้ากินด้วยความจําเป็นกินเหมือนกินยาอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดก็ได้สาหรับตัวเราเองนะ แต่สำหรับคนอื่นเขาจะว่าผิดเราก็ไม่ถถียงกับเขาก็าปล่อยเา็าว่าไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเรานั่งสมาธิจนจิตไม่ค่อยคิดแล้วแต่ยังไม่เคยได้ถึงอัปปนาเวลาออกจากสมาธิมาเพื่อเจริญปัญญาจิตก็ยังไม่อยากคิดอยากนั่งเฉยๆควรเจริญสติหรือนั่งสมาธิต่อจนได้อัปปนากรหรือฟังธรรมช่วยในการเจริญปัญญาสลับไปบ้างคะ ก็อถ้ายังไม่อยากจะคิดมันอยู่เฉยๆก็ให้มันอยู่เฉยๆไปนานๆจะดีกว่าเพราะเวลาอยู่เฉยๆใจมันสบายไม่คิดอะไรจนกว่ามันจะเริ่มคิดเมื่อเริ่มคิดแล้วก็ให้มันคิดไปทางปัญญาคิดไปในทางตายรักอนิจจทุกขังอนัตตาเรื่มฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมก็จะได้ปัญญาแต่ต้องฟังธรรมที่เป็นปัญญา ฟังรรมันมีหลายระดับด้วยกันถ้าไปฟังทมเกี่ยวกับการทาบุญ เ, เกี่ยวกับนิทานพระเวชสันดรนะมันเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ได้เกิดปัญญาในระดับที่เราต้องการอันนั้นเป็นระดับต่ำระดับแรกสำหรับคนที่ยังไม่มีศรัทธาฟังเพื่อเกิดศรัทธาอย่างหนึ่งฟังเพื่อเกิดปัญญามันอีกอย่างหนึ่งเัืนอ้นบางทีเวลาฟังนี้ต้องดูธรรมะที่เราฟังว่ามันเหมาะกับที่เราต้องการหรือไม่ คำถามจากคุณใหญ่เวลานั่งสมาธิหลังจากสวดมนต์ทำไม่เข้าสมาธิได้เร็วและนั่งได้นานขึ้นเจ้าคะ่ะ เ, เพราะตอนเราสวดมนต์เรากําลังเจริญสตินั่นเองเรากําลังรับความคิดต่างๆด้วยการสวดมนต์พอเราสวดไปสักพักความคิดต่างๆมันก็จะเบาลงพอเรานั่งสมาธิมันก็เลยง่ายมันก็เลยสงบได้เร็วกว่าเร็วกว่าที่เรามานั่งเลย มานั่งสมาธิเลยพอนั่งนี่ความคิดมันยังมีอยู่มันก็จะมาทำให้ใจไม่สงบแต่พอเราสวดมนต์ไปสักพักก่อนความคิดต่างๆมันก็จะเบาเบาบ า, บางลงไปจน ก, กระทั่งทาให้เรานั่งสมาธิได้คำถามจากคุณผู้รับใช้พระพุทธศาสนาพระอาจารย์ครับการที่เราลักขโมยพระบรมสารีริกธาตุมาบาปมากไหมครับและจะนาไปคืนก็ไกลมากครับ และถ้าจะเก็บไว้บูชาที่วัดหรือบ้านได้ไหมครับก็เวลาไปเอาไม่เห็นว่าไกลเลยเวลาไปคืนทำไมว่าไก่มันก็ระยะเท่ากันไม่ใช่เลยถ้าไปเอาได้ก็เอาไปคืนก็ได้เอาไปคืนก็เถิดอย่าขี้เกียจบาปมันถ้าอยากจะล้างมันตอนนี้นล้างได้ด้วยกันเอาไปคืนแต่อาจจะไม่หมดก็ได้มันก็ยังมีมลทินอยู่แต่ดีกว่าไม่เอาไปคืน ไปสารภาพใชบอกผมขโมยของขอคืนอถ้าเขาจะลงโทษก็รับโทษไปก็จะปรับหรืออะไรก็ปล่อยให้เขาปรับไปมันจะได้หมดหมดหมดเวรหมดกรรมกันขยันไปขโมยได้ทำไมขยันไปคืนไม่ได้ะคำถามจากคุณปัทมาพรทำอย่างไรให้มีความเพียรอย่างแน่วแน่เจ้าคะ่ะเพราะบางครั้งก็ยังมีความอยากจะไปเที่ยวเล่นอยู่บ้างเจ้าคะ่ะก็ต้อง พยายามมีสติให้มากถ้ามีสติเราสามารถที่จะควบคุมความคิดได้เวลามันจะไปเที่ยวไปเล่นเราก็หยุดมันได้ฝึกสติบ่อยๆพุทโธบ่อยๆต่อไปเวลาคิดอยากจะเที่ยวก็ใช้พุโทโธหยุดมันถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีสติมันก็พอคิดอยากจะไปเที่ยวมันก็ไปเลยคำถามจากคุณนภพลอาการของคนอ้วนลงพุงมักจะมีซึมเศร้าเหงาหงอย และน้อยใจได้ง่ายบางครั้งก็เบอะเบอะลอยๆอยเชื่องเื่องจะทำอย่างไรดีครับและทำให้ยากกว่าใหม่ครับเพื่อให้มีสติอยู่ตลอดเวลาก็แต่ละคนมันก็ที่ซสืมเศร้าก็เพราะไม่มีสตินั่นแหละพอใจไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็เสริมเศร้าขึ้นมาก็พยายามฝึกสติไปให้มีสติแล้วมันจะหยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดความอยากต่างๆได้ความซึมเศร้าก็จะหายไปคําถามจากคุณวิยาก่อนนั่งสมาธิจะต้องสวดมนต์ก่อนหรือเปล่าครับก็ยังที่บอกแล้วแต่เราไงบางคนนี่ถ้านั่งปั๊บมันไม่สงบมันยังคิดมากก็สวดมนต์ไปก่อนบางคนนั่งแล้วมันสงบเลยไม่ต้องสวดก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องสวดแล้วแต่ว่าจิตใจของแต่ละคนนี่ มันคิดมากหรือคิดน้อยหยุดยากแล้วหยุดหยุดง่ายสำหรับที่หยุดง่ายคิดน้อยเนี่ยพอ nang ปพัพุโทโธพุทโธมันก็หยุดเลยมันก็ไม่ต้องสวดแต่สำหรับบางคนนั่งแล้วพุโทโธแล้วมันก็ไม่ยอมหยุดคิดก็ต้องสวดก่อนสวดเพื่อให้มันเหนื่อยจากการคิดก่อนแล้วมันก็จะไม่คิดพอไม่คิดเราก็มาพุโทโธพุโทโธต่อได้คาถามจากคุณประหยัด ในขณะนั่งสมาธิเกิดมีความคิดอื่นเข้ามาแทรกเราจะสวดมนต์ในใจเลยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่เวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรกากับใจอยู่ก่อนแล้วเช่นมีพุทธโธหรือมีลมหายใจถ้าเรานั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็ใจมันก็จะสามารถคิดอะไรต่างๆได้ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วรอให้มันคิดแล้วเรามาหยุดมันใจเราก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้ เวลารานั่งตั้งแต่เราเริ่มต้นนี้เราต้องมีอะไรกำกับใจอยู่ทันทีมีพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วความคิดมันจะไม่โผล่หรือมันโผล่เราก็อย่าไปสนใจถ้ามีความคิดโผล่ขึ้นมาเราก็ยังมีพุโทโธอยู่แล้วก็พุโทโธไปหรือเรามีลมหายใจเราก็ดูลมหายใจไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไป คำถามจากคุณครูเมื่อฟังพระอาจารย์แสดงธรรมะจะเข้าสมาธิได้เลยโดยไม่ต้องบริกรรมพุโทโธแต่เหมือนสมาธิอยู่ไม่นานทำอย่างไรจึงจะประครับประคองจิตให้อยู่ในสมาธินั่นๆานคะก็ต้องมีสติประคับประคองต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเวลาเราฟังนี่เราก็ใช้การฟังเป็นการสร้างสติขึ้นมาพอเราตั้งใจฟังใจเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จิตก็เข้าสู่ความสงบได้น แต่เมื่อเราไม่มีสติที่จะรักษามันมันเข้าได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็จะดันออกมาใหม่เราก็ต้องถ้าอยากจะให้มันสงบต่อก็ฟังต่อไปฟังต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปสู่ความสงบได้ถ้าฟังธรรมถ้าสงบจากการฟังธรรมถ้าสงบจากการบริกรรมพุโทโธเวลามันออกจากความสงบมาเราก็พุโทโธใหม่มันก็จะกลับเข้าไปใหม่เพราะสติที่เรามีนี่ยังไม่มีกําลังมากมันก็เลยอยู่ได้ไม่นาน ถ้าต่อไปสติเรามีกำลังมากแล้วมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นไปตามลำดับคำถามจากคุณนันทนาพระที่ขอกลับบ้านไปแล้วเปลี่ยนใส่ชุดคารวาสแล้วกลับวัดมาใส่ชุดพระใหม่เ <c oughs> จ้าอาวาสทราบก็บอกว่าทีหลังอย่าทำแค่นั้นแล้วก็ให้เขาเป็นพระต่อไปแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะก็ <c oughs> แล้วแต่เจ้าอาวาเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาไปทำผิดอะไร ถ้าเขาไปร่วมหลับนอนกับศีกานี่ก็ก็กลับมาเป็นพระไม่ได้แนละ้วหรือถ้าเขาไปทําผิดยังข้อสี่ข้อที่เป็นความผิดร้ายแรงของพระไปฆ่ามนุษย์เนี่ยไปร่วมหลับนอนกับศีกาก็ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือว่าไปปวดความเป็นผู้วิเศษโดยที่ไม่มีในตัวตนถ้าทําผิดสี่ข้อนี้ก็ไม่สามารถเป็นพระได้ต่อไป ถ้าเป็นก็เป็นผ้าปลอมไปไม่ใช่เป็นผ้าจริงเพราะว่ามันพความเป็นผ้านี่มันหมดสภาพไปแล้วนี่เรื่องการวินิจฉัยของเจ้าวาดก็แล้วแต่ท่านท่านอาจจะเห็นว่ามันเที่ยงแต่ดีเที่ยวหนีไปกินเหล้าอนไรหนีไปดูหนังอะไรมันก็ยังไม่เป็นโทษไา้แหลพผ้าดื่มเหล้านี่ก็ยังสามารถโป่งอาบัดได้ ดันั้นก็อยู่ที่โทษที่เขาไปทําด้วยแล้วก็อยู่ที่เจ้ า, าว่าว่าจะมีความเด็ดเดี่ยวมีความหนักเบาอย่างไรต่อลูกวัดบางวัดเจ้าว่ากาวาก่าวมึงมงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มึงก็อยากกลับมาเลยเอไปแล้วไปเลยบางทีท่านก็อาจจะเมตตาสงสารมันอก็คาดโทษไว้แต่ถ้าปล่อยให้มันทํานี้ได้บ่อยๆมันก็ไม่ถูก ถ้าครั้งต่อไปยังหนีออกไปอีกแล้วจับได้ก็ต้องจับสึกแล้วล่ะคำถามจากคุณวังทอดมันเฮงทำไมลูกถึงไม่เชื่อฟังพ่อแม่คะก็แล้วแต่ลูกดื้อก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกที่ไม่ดื้อก็เชื่อฟังคนเรามันก็มีหลายแบบคนที่มันโง่มันก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นี่สอนสิ่งที่ดี มันก็ไม่เชื่อเพราะใจมันอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็เลยดือ้อ แ, แต่ลูกที่ฉลาดลูกที่รู้ว่าพ่อแม่สอนแต่สิ่งที่ดีแล้วทำตามก็จะได้ดีเขาก็จะเชื่อฟังพ่อแม่เขาก็จะทำตามพ่อแม่แล้วแต่จิตสานึกของแต่ละคนว่ามีความเชื่อในพ่อแม่หรือเปล่าเชื่อในความดีงามของคำสอนของพ่อแม่หรือเปล่าคาถามจากคุณเท เมื่อวันวิสาขาบูชาได้ไปช่วยรับของที่ญาติโยมมาใส่บาตรแต่ไม่ได้ใส่บาตรจะได้บุญด้วยไหมเจ้าคะได้ส่วนที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นนะบุญมีหลายแบบเหมือนกับอาหารทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่เป็นอาหารคนละชนิดกันเป็นบุญคนละชนิดกันคาถามจากคุณปู ทำยังไงถึงจะตัดเจ้ากรรมคู่กรรมในอดีตชาติออกจากชีวิตได้ตลอดการต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะก็ใช้กรรมไปหรือว่าไปนิพพานถ้าเข้านิพพานแล้วก็ไม่มันก็ไ ม, กไม่ก็ไม่ต้องมีกรรมกับใครถ้ายังกรรมมาเกิดอยู่ก็อาจจะมาเจอคู่กรรมต่อไปเวลาเจอคู่กรรมก็อย่าไปก่อกรรมใหม่ขึ้นมาก็อยู่เฉยๆให้ใ ห, ให้เขา ทำเราทําให้พอใจกับเขาเราก็ทําจนเขาพอใจแล้วเขาก็จะหายจากการที่จะมาทํากรรมกับเราต่อไปคําถามจากคุณสุขุมผมต้องการฝึกสติครับเวลาเดินก็ชอบดูลมบ้างดูเท้าในการเดินบ้างเวลานั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจตัวเองไปฝึกแบบนี้ได้ไหมครับเพราะตอนนี้ยังมีงานทํา ต้องทบ้างได้ถูกต้องให้ให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าปล่อยให้คิดดูลมไปดูเท้าไปดูการทำงานไปบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปวิธีเหล่านี้เป็นวิธีเจริญสติเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายและสงบได้นานคำถามจากคุณไต นอนสมาธิท่าตะแคงไม่หลับบางวันก็รู้ตัวทั้งคืนบางวันก็หลับหลับตื่นตื่นแบบนี้คือสภาวะอะไรเจ้าคะก็สภาวะบบหลับหรับตื่นตื่นั่นเองก็รู้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นอะไรก็มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องต้องมาถามใครเลยคำถามจากคุณนพล เมื่อบังคับให้จิตสงบอยู่เสมอทั้งที่ยังไม่มีกําลังสมาธิมากพอจะทําให้เครียดและวิตกกังวลวิตกจริตใหม่ครับเพราะเคยพยายามจะให้สงบแล้วรู้สึกเครียดหนักกว่าปล่อยสักระยะเมื่อใจพร้อมถึงมาจเจริญสติเพื่อทําความสงบใหม่คล้ายๆกับการตกปลาเวลาเครียดเพราะมันอยากอยากให้มันสงบแล้วถ้ามันไม่สงบมันก็เครียดนี่นเราอย่าทําด้วยความอยากให้มันสงบเราต้องทําแบบชิด ใจเป็นกลางทำไปแบบมันสงบหรือไม่สงบก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่พุโทโธแล้วก็พุโทโธของเราไปมันจะสงบหรือยังไม่สงบก็เราก็พุโทโธของเราไปมันก็จะไม่เครียดหรือที่มันเครียดก็อ จ, จะเป็นเพราะว่าใจมันไม่ชอบพุโทโธมันชอบคิดพอเราดึงมาพุโทโธมันก็เลยเหมือนชักะเยาะกันใจมันก็อยากจะคิดเราก็จะดึงมาพุโทโธ มันต่างฝ่ายต่างดึงกันมันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาก็เป็นธรรมดาต้องถือว่าความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันจะเป็นเรื่องธรรมดาตอนต้นมันต้องเครียดบ้างแต่ถ้าสติเรามีกำลังมากต่อไปความความเครียดมันก็จะหายไป <Okay. S 1> มีใครอยากจะถามอะไรไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา